เสียงไหมฟังธรรมจากที่เราได้สาทยายพระสูตรเมื่อ <c> ธ <oughs> รรมชาติ้าอเจ้าคนธรรมกคนสังข้าคน ซึ่งเกี่ยวกับเราทุกคนทุกชีวิตแล้วก็สาธยายวิธีการปฏิบัติตำเนินชีวิตตามหลักอริมักในองค์แปดประการเป็นทางนวนชีวิต ั้แต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถึงจุดหมายปลายทางเมื่อเราเดินทางในพิสูจน์ที่เราสาธิยายไปนั้นเกี่ยวกับเราทั้งนั้นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจของเรากายก็มีทางเดินใจก็มีทางเดิน อายเดินไม่ถูกต้องก็ไปสู่บายภูมิเป็นภูมิที่ไม่เจริญต้นกล่าวไว้ว่านาโกเปรตอสุรกายสัตว์อรัญชานิพกนี้ไม่เจริญเพราะนาไม่ขึ้นยังเป็นจัดอยู่ ถ้าเดินถูกต้องก็เลื่อนฐานะขึ้นไปถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดจะหมายปาทางของกายใจของเราเราจึงปฏิบัติต่อกายต่อใจให้กายให้ใจปฏิบัติเดินทางให้ถูกต้องชีวิตของเราไม่ใช่มีวันเดียว นี่นอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตพรุ่นี้ก็มีอยู่าวานนี้ก็มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่าวานนี้ทำอะไรไม่ได้แต่มันก็มีผลงานสำหรับวันนี้ตั้งมาวานนี้เรามีสติดี ความเพียรแข็งแรงอดทนมีศรัทธามีความเพียรมีสติวันนี้ก็ได้รับผลของกรรมเมื่อวานนี้แต่ถ้าวันนี้ทำดีอีกต่อไปพรุ่งนี้ก็จะเป็นของวันนี้อีก สำคัญอยู่ที่วันนี้ปัจจุบันนี้สําคัญละความชั่วได้ทําความดีได้เมื่อวานทําอะไรไม่ได้วันนี้ทําได้พวงนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ของจริงคือวันนี้เราจึงทําเดี๋ยวนี้เพื่อให้เป็นพวกนี้เพื่อเป็นอีกเมื่อวานวันหลังต่อไป เราจึงอยอดประมาท <c oughs> ในการใช้ชีวิตของเรามีหลายหลายส่วนเกี่ยวกับการทำความเพียรทำความดีมีศรัทธาเป็นหลักทรัพย์เอาไว้อย่าอ่อนแอเชื่อว่าทำดีมันก็ดีทำชั่วก็ชั่ว นี่เรากให้มันเอาไว้อย่าไปเอาอันอื่นเป็นเรื่องตัดสินอยู่ที่การกระทำไม่ใช่อ้อนวอนศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนเป็นศาสนาแห่งการกระทำลงไปที่กายที่ใจของเราในศรัทธาอย่างนี้ แล้วก็มีความเพียรถ <c oughs> ้ามีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรทำลงไปจริงจริงความเพียรต้องมีการกระทำเหมือนนามีน้ลฝนนามีน้าฝนแล้วก็ทำได้คาดไถได้ มีความเพียรลงไปความเพียรคือกล้ากล้าทำปโปลกลงไปมีสติลงไปมีสมาธิลงไปให้มั่นคงอย่าอ่อนแอทํทำอะไรไมันต้องมั่นคงคือเราเดินทางก็มี่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล่ะ แต่เอาการเดินื่ยเมล่หยุดการเดินทางมันก็ไปไม่ถึงไหนเราทำงานอะไรก็ตามมันก็หลาหลายอย่างที่มันทำให้เราอ่อนแอหลายอย่างที่ทำให้เราเชื่อมแข็งคนทำงานเื่ไหลข ย, ยอ้อยแสงแดดลอองฝน อะไรต่างๆที่มันมาทำให้เราอ่อนแอรู้กับจึงต่างได้แต่ถ้าสิ่งที่ทําให้อ่อนแอเราเข้มแข็งแค้นความเกียดค้านแำใหเราขยันในความคิดที่มันเกียดค้านมันเข้มแข็งในความอ่อนแอ อ้างว่าเราอ่อนเอก็ทําให้เราอ่อนเอมันก็อ่อนแอเรืยไปไม่สู้เป็นประลาชัยเป็นคน่ายแพ้ทำอะไรไม่สําเร็จจ อ, อ้างว่าร้อนนักหนาวนักเหนื่อยนักไปทํางานนั่นนี่เรียกว่ากวามอ่อนแอ เราเจีงเพียรพยามมีความเพียรมีสติทุกกรณีจดลงไปประกอบลงไปปลูกลงไปสติปลูกลงไปที่กายมีสติลงไปที่กายให้เห็นกายอยู่เป็นประจำเมือน่อนาะหวานข้าวลงไป อย่าให้นาเป็นเนื้อนามีญ้ามีพงทอดไถลลงไปพริกควงหลงเป็นความรู้อย่าให้ความหลงเป็นความหลงเหมือนนามีญ้าเต็มไปหมดสมาธิหมายถึงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยนเป็นความรู้ทั้งนั้น เรียกว่าปฏิบัติคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกมันเปลี่ยนได้ในกายในใจเรานี้ความชั่วที่มันเกิดกับกายอะไรที่มันเกิดเครืกักายเปลี่ยนเป็นตัวรู้ได้ภาวะที่รู้ได้นี่เรียว่าหวานจากความหลงแท้กลายเป็นความรู้เหมือนหลงเพื่อรู้เนาะ ไม่ใช่หลงเพื่อหลงวันโกรธเพื่อรู้ไม่ใช่โกรธเพื่อโกรธมันทุก์เพื่อรู้ไม่ใช่ทุก์เพื่อทุก์นั่นเรื่อปฏิบัติธรรมมาทีไรเอาประโยชน์มันหลงเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมาถ้าไม่หลงก็รู้เรื่อยไปถ้าเวลาใดมันหลงก็รู้ขึ้นมาเนี่ย เรียกว่าปฏิบัติก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เรียกว่าความเพียรความเพียรไม่ใช่เหมือนกับค่อยๆเดินย่องๆไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นความเข้มแข็งเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยนี่คือความเพียรคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรวิิยีนาะทุกขมัจเจติ ตนจะร่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเคยเปลี่ยนร้ายเป็นดีขยันทำความดีเรียกว่าภาวนาขยันรู้เรีวยว่าภาวนาวัฒนาวัฒนะถ้าความหลงเป็นความหลงด้วยวาหายนะแล้วก็ตามไปจนถึงสิ้นภพสิ้นชาติ เพื่ความหลงก็หลงไปเรื่อยๆถ้าหลงมากๆเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าบ้านของกายของใจไปถ้ารู้ความรู้เป็นเจ้าของกายใจไปกายใจเนี่ยมันต้องมีเจ้าของบ้านเรือนมีเจ้าของรถ ล, ลารมีเจ้าของทรัพย์สินมีเจ้าของมันก็อยู่ได้ไม่เสียหายกายของเราใจของเรา เมื่อมันไม่มีเจ้าของมังก็เถื่อนกายก็เถื่อนใจก็เถื่อนเป็นกายโสเพณีเป็นใจโสเภณีสมสรจะคิดอะไรก็คิดได้ไม่ใช่ต้องง่ายง่สมสรให้คิดหัดคิดแต่เรื่องดีๆ พุทธคนคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าธรรมะคนคิดถึงความสอนสังฆคนคิดถึงการกระทาของพระสงฆ์ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกพุทธคนธรรมะคนสังฆคนคิดถึงศีลของตน มีหรื อ, อยังอาศัยได้ไหมมีอะไรที่น่าชื่นใจยกมือไหว้ตัวเองได้ทำอะไรได้บ้างยกมือไหว้ตัวเองได้บ้างเลิกสุบุตรีได้เลิกกินเหล้าได้เลิกโกรธได้บ้างเลิกทุกข์ได้บ้างก็ยกมาไหว้ตัวเองได้ นี่หรืว่าคิดถึงศีลทุกข์ศีลธรรมของตนที่มีในตนตีตือนเตือนตนเองได้หรือไม่อะไรที่เป็นความชั่วเราไดได้หรืออย่างอะไรเป็นความดีเราทําได้บ้างไหมอะไรมันดีขึ้นก่อเก่าหรือว่าอะไรมันเร็วลงก่อเก่า มองตนแบบนี้เรียกว่ามีสติกายานุปสีวิหารติมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจอมมีสติเห็นสุขเห็นทุกข์อยู่เป็นประจอมไม่ใช่สุขใช่ทุกข์ให้เป็นสุขให้เป็นสุขทุกข์ให้เป็นทุกข์ให้ความสุขเป็นความรู้ให้ความทุกข์เป็นความรู้ หัดอย่างนน่อย่าให้มันสุมนนกมันเป็นใหญ่อย่าให้ทุกข์มันเป็นใหญ่อย่าเอาชีวิไปห้อยไปแขวนไว้กับสุกับทุกข์ถ้ามีสุกก็มีทุกข์มาคู่กันถ้ามีทุกข์ก็มีสุกอยู่ให้เห็นให้รู้นี่เป็นอย่างนี้ียกว่ากายสักวาเวทนาสักวะเวทน า, ทนาในใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา อินาคือสุขคือทุกข์นั่นไม่ใช่สัตบุคคลตวตนเราเขาผ่านได้แล้วขี่หน้าได้แล้วคิดมันก็คิดอ่านคิดนี้เห็นมันมันคิดอะไรอย่านึกว่าตัวว่าตนให้ตนเกิดอยู่ในความคิดความคิดก็คิดอะไรก็ทาให้เราเป็นไปตามความคิด ควาคิดภาเราเป็นโศกความคิดภายใเร า, าเป็นทุกข์คิดขึ้นมาน้ําตาไหลนอนไม่หลับบางคนตกอยู่ในห ล, ลงผงความคิดวุ่นวายู่กับความคิดเจนเป็นโรคประสาทเป็นโรคเศร้าอะไรต่างๆกลายเป็น เสียผู้เสียคนไปให้ความคิดมันหลอกภาษาอะไรความคิดเฉยเฉยมีสติลงไปถ้ามันคิดรู้ทันทีก็มปีกรรมฐานแล้วตอนนอนอยู่ก็พิกมือเอามือวางไว้หน้าท่องพิกมือหรือกระเด็กนิ้วลู้อยู่ถ้านอนตะแคงก็มือ ตะแคงแวกข้างแล้วก็พลิกมือไปพลิกมือมาเดินอยู่หรือหายใจเข้าหายใจออกหัดตนสอนตนอยาปล่อยทิ้งคว้างถ้ามันยังไม่สงบถ้ายังไม่ถ้ายังมีประยชน์อยู่ก็หัดมันให้มันใช่ได้จิตมันก็พาไปไกล เป็นโจนรผู้ร้ายเป็นอะไรก็ได้ความคิดไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเล็กสิแล้วถ้หาหคิดเรื่องไม่ดีก็มันก็กำเบอบเจริญถึงความไม่ดีทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายกะมันคิด มีอันเดียวที่เห็นความคิดคือสติคนอื่นก็ไม่เห็นกับเราเราเป็นคนเห็นเองแต่มันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจความคิดของเรามีสองอย่างความคิดตั้งใจคิดไม่เป็นไรอนความคิดที่ไม่ตั้งใจน่ะมันคิดขึ้นมาเองน่ะอยากคิดมันก็คิดนั่นมีอันเดียวไม่ใช่ไม่อยากคิดอันนั้นมันไม่สำเร็จ ต้องมีความรู้สึกตัวทันทีส่วนใดชนหนึง่งไม่หลักไม่ฐานที่ตั้งพลิกมือหงายมือหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจมันสู้ไม่ได้พลิกมือเคลื่อนไหวให้มันกระตุ้นแรงกตเอาลมหายใจมันมันเบามันสู้ไม่ได้ จึงมีกรรมาฐานดูสึกหัดมันเจนมันหมดพยศจะนอนก็นอนไม่ใช่หาเรื่องมาคิดในเวลานอนทำอะไรก็มีแต่ความคิดทั้งนั้นคนทุกวันเนี่ยเพราะมันใช่ความคิดกันมาก บางทีไม่ทำอะไรก็คิดกลางคืนเป็นควักนกลางวันเป็นเกลียวไหลเรื่อยตอนตติเกิดมาเรื่อยตอนทะเลไหลไปเรื่อยความคิดอันใหม่เกิดขึ้นไหลไปความคิดอันใหม่เกิดขึ้นใหม่ก็ไหลไปไหลไปไหลไปโดยที่สุดก็ใจลอยนะนี่มันหัดได้ บางทีก็ไปอาศัยยาแ ล, ล้วกประสาทนอนหลับมันไม่ใช่ต้องอาศัยกรรมฐานฝึกตนเอาไว้นะเนี่ยเราต้องหัดอย่างนี้ทรเควมร้ายคขมดีามาโยก จ, จิตใจแล้วว่าทม เป็นอกุศลคือความไม่ดีเป็นกุศลคือความดีเช่นเราทําความเพียรทําที่เป็นอกุศลบางว่างครอบงำเป็นมมห่วงง่วงเหงาหานอนนก็จะสร้างสติมันก็มีความง่วงมาครอบงำไม่มีสติยกมือไม่ขึ้น ตาก็ลือในขึน้นเมื่อถูกนิวาณงครอบงำอ่อนแอไปหมดนี่ว่าอากุศลมันครอบงำว่าธรรมธรรมที่เป็นอกุศลเชินวามคิดุ่้ซ่านไม่ได้ตั้งใจก็คิดไปอันตั้งใจว่าจะมีสติมันไม่มีใช่แล้วมันคิดไปอืนอ่น นั่งอยู่นี่มันคิดไปถึงอดีตถึงที่ไห น, นมัมนเปื้อนมาเพราะเราเคยใช้ชีวิตแบบไม่มีระเบียบมันก็หลไปนอดถึงความละความเขยียดความโศกความทุกข์อะไรต่างๆไปนอดซึ่งไม่ใช่ความจริงความจริงคือเดี๋ยวนี้ เช่เราทําความเพียรนั่งจกมือสร้างจังหวะนี่คือปัจจุบันอันความคิดไปโน่นไม่ใช่ปัจจุบันทําไม่ได้หาคําตอบจากความคิดมันใช่ไม่ได้หาคําตอบจากการกระทํามันจึงใช่ได้คนทุกวันนี่หาคําตอบจากความคิดไม่จริง ใครก็คิดได้มีเหตุมีผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมคนฆ่ากันตายเพราะเหตุเพราะผลสัจธรรมคือปัจจุบันทำดีแถวนี้เราความชั่วไดี๋ถวนี้นี่เรียกว่าทำบางทีเป็นทำเป็ดกุศลมาสงบสุข พอไปเผล อ, อยู่กับความสงบมันสุขก็ไปอี่มในความสุขมันก็ไม่ใช่ต้องมีสติทุกรณีนี่เรียกว่าสอนตนวิชากรรมฐานเป็นวิชาเอกําได้ทางนั้นเอกคือหนึ่งงานวารูปใดก็มีสติเหมือน กุญแจอเอกกุญแจอดอกเอกกุญแจแม่เปิดได้แต่มีกี่อันก็เปิดได้สตินี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของกายของใจเนี่ยให้มีในตนให้ได้ถ้ามีมาก มหาสติเป็นพระเยอบุคคลไปเลยเป็นพระละหัน์ไปเลยสติไม่มีเป็นปุริชนตกลงไปต่ําลงไปผู้มีสติเป็นหน้าโลภเหมือนพระชีนาศกผู้มีสติเป็นไม่นใดพระละหันนะขีนาศกคือพระละหัน์ มีสติเป็นหน้าโลบมีสติเป็นวิ น, นัยง่ายเผอไม่ใช่พระหหันห่อเหินเดินฟ้าไปไหนต่ออาหารคือผู้มีสติเป็นหน้าโลกไม่ใช่เหมือนแสงัยฉายมันเล้าลูล่โลกตาเห็นลูป ก, ก็รู้หูดินเสียงก็รู้ ชาหมอกได้กินก็รู้ลิ่นในรถก็รู้กายสัมผัสก็รู้ใจคิดนึกก็รู้มันประเสริฐจริงๆถ้าเข้าถึงสภาวะที่รู้มันก็ไม่ไม่มีอะไรมันจบ ก, ก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้ววอมไม่เที่ยงก็รู้แล้ววมเป็นทุกข์ก็รู้แล้วนี่คือสติ ถ้าความสุขเป็นสุขนี่คือความหลงไปแล้วความทุกข์เป็นทุกข์คือหลงไปแล้วความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ออหลงไปแล้วความเป็นทุกข์เป็นทุกข์หลงไปแล้วถ้าความไม่เที่ยงเป็นสภาวะที่รู้รู้แล้วความเป็นทุกข์รู้แล้วควาไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วอะไรที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรไปยึดบ้าตัวว่าตน มันไม่ใช่ตนจริงๆมันเป็นตัวเกิดขึ้นจากสังขารจากภาวะไม่รู้โปร่งแตง่งแปลงเกิดได้หลายอย่างคาว่าสังขารเนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างอะไรเป็นสังขาร น, นั่นไม่ใช่ตัวใช่ตนความโกรธ เป็นสังขารความไม่โกรธเป็นวิสังขารความทุกข์เป็นสังขารความไม่ทุกข์เป็นวิสังขารสังขารไม่จริงความหลงไม่จริงความรู้จริงกว่าความทุกข์ไม่จริงความรู้สึกตัวจริงกว่าก็ไม่ทุกข์จริงกว่า ความโกรธก็ไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าเรามีสติเรามีสิทธิเวลามันโกรธมีสิทธิมมทธไม่โกรธใช้สิทธิของตัวเองอย่าปล่อยปาะละเลยให้ความโกรธเป็นใหญ่ของเราอนาลวกขี้ธาต เป็นท่าของเขาเขาเป็นนายเราต้อนรับดีถ้าไม่โกรธเราไม่อยากเลืม่มต้อนรับความโกรธด้วยความพอใจพอใจที่จะโกรธมีใครไปห้ามก็ไม่ได้กูต้องโกรธคนต้องโกรธถ้ากูได้โกรธแล้วกูไม่ด่ามันกูไม่ยอมกูต้องไปด่ามันถ้ากูได้โกรธแล้วตายกูก็ไม่ยอมมันโง่ขนาดนั้น สู้หมาไม่ได้หมาที่เราเตะมันเจ็บมันไม่เห็นโกรธอีกสักหน่อยก็ลอบเข้ามาแข่งหาเออหมอบหาเจ้าของคนเนี่ยผัวเมียกันทะเลาะกันนิดหน่อยขัดใจนิดหน่อยเอาแล้วโกรธกันอันตรายมาดีแม่แต่ลูกก็โกรธห้น้อยก็โกรธ ยโกรธให้ลูกไหใครไม่ลูกทีนฮะฮะโกรธให้ลูกตีลูกเคยไหมฮะมึงไม่ลูกอยากกูเป็นพ่อมึงเลยเงี้ได้บ้งมั้มึงไม่ลูกว่ากูเป็นแม่มึงเลยแม่อะไรไปตีลูกพ่ออะไรไปตีลูกไม่ใช่พ่อสลานที่ตีลูกเป็นยักษ ขณะที่ลูกไม่ใช่แม่เป็นยักษ์ไปแล้วออตีโลกแล้วโลกเก็บแล้วลองไหย้ยดุดมึงอย่าลองโดมเขาโดตอสื่อุดเตือนโอ้ยน่าสงสารออหายโกรธเราเห็นหลอยเบือเห็นหลอยไม่เหลียวสงสารโลกน่าตาล่วง เฉืยใจมีไหมมีความเฉียใจว่าความผิดของตงนเองทะเลาะกันแล้วด่ากันแล้วเมื่อหายความโกรธแล้วมันก็ดีอายกันอายบ้านเขาเวลามันโก่ไม่อายใครเถียงกันท่วบ้านท่วเ ม, มืองตากัน สารพาดอย่างจัดฉันมาให้หามากินตับกินไตให้ปอบมากินไส้เย็นพุงมีแต่บุญยอดมีแต่บรญเวลวเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ทั้งน้านะมาเป็นบุวเลวของคนที่โกรธลบกันเมื่อมันไม่สงบแก้าทางกันแบ่งบำรุโลกกันเอา คนหนึ่งเอาบ้านคนหนึงเอานาแบ่งลูกกันยักษ์มีแต่ลบกันไม่เคยเห็นยักษ์ประดมมือยักษ์เห็นยักษ์ไหมไอช้ชีเห็นรูปยักษ์ไหมฮะมันถืออะไรยักษ์ถือตะบองถือดาบยักษ์ยิ้มแย้มแจ่มใสมายักษ์ หน้าตาของยักษ์เป็นไงเคยเห็นยักษ์ไหมถ้าโกรธเราไปส่องกระจกตู่นแหละหน้ายักษ์ <laughs> ไม่ใช่แม่ของใครไม่ใช่พ่อของใครหรอกไม่ใช่สามีพันญากันฆ่ากันตายข่มโกรธเฉยเฉยเดี่ยวเสียใจเขาก็ๆๆโกรธเราจึงไม่ข่มโกรธกป็นไม่ใช่ คิดใจของเรามันเป็นสิ่งที่พา ย, ย้อมแป๊บเดียวมันก็หายไปอย่าไป น, นึกว่าตัวว่าตนเอาความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนเบร์อะต่อไปนี้นะถ้าเป็นไรมันโกรธเราผมละเปลี่ยนมันเลยนะไม่ต้นรับมันได้ให้มันมาครองกายคองใจเราเหมือนโจรผุด่อยเหมือน ยักษ์จะขึ้นบ้านเราเราไปต้อนรับเวลานี้เราเอาจจะต้อนรับความโกรธมากกว่าความดีถ้าไดโกรธเราก็โอ้ยคิดแล้วคิดดีคิดแล้วคิดกูไม่เลืมกูไม่เลืมกูไม่เลืมกูไม่เลืมคิด ด, ด, ด, ด, ด, ดีอันความรักความเมตตาลืมไปไหน เคยมีแล้วมันหายไปไนะทำไมไม่คิดขึ้นมานะมีประโยชน์เลยความโกรธความโลภความหลงนะนี่จะทำให้เราเดือดร้อนต้อไปทำลายตัวนี้ลงไปไม่มีสติเปลี่ยน อ, นอกุณล น, นี่ให้เป็นกุศลห่ะมันจะไปไม่รอดเนาะบ้านเมืองเรานะเรามอใช้อยู่คนเดียว มีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่มียติพี่น้องมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนร่วมชาติเกิดเจ็เจ็บตายด้วยกันให้มาเปลี่ยนกันเถอะพวกเราเปลี่ยนล้ายเป็นดีมีร่ายเท่าไหร่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ปฏิบัติได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่อย่างพระสวดอนิจจัง อันนี้เจ้าวระสังฆาลาะเคยได้ยินไหมฮะพระไปสวดให้อะไรสวดบังสุขคุนอุปชาไหวธรรมเมณรอหวจิตตาวันรูดฉันติเตสังบูปจามโสุขโขลพระท่านว่าอะไรไปชักเอาได้ สบายได้กี่ิยนได้ปัจจัยได้ชอง ม, มาแค่นั้นเลยมันหมายถึงอะไรมมีใครบอกอะไงแล้วไหนหะลวงตาวัดทุกโกโตจะบอกอันนี้จะเตาสังขารสังขารเกิดขึ้นใจเราเล่าหนอมันโกรธแล้วขณะที่มันโกรธว่าสังขารแล้ว สัง ข, ขารเกิดขึ้นเราจะเราหนอเราไปนึกว่าตัวเราโกรธเป็นอุปทานอุปทาไนไอ้ทำยไงเนามันยึดเอาเนา อ, อุปคิดตวนันโลันติเปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนซะเปลี่ยนซะเาากกวลาโกรธไม่โกรธได้อยู่อุปคิดตวนันโลันติอุปคิดตวานโลชนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ ปฏิบัติได้เปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารเปลี่ยนความโกรธเป็นความมาโกรธเปลี่ยนได้อยู่อย่าเพิ่งไปทําอย่าเพิ่งพูดไม่พูดในเวลาโกรธอดไว้คขม่มไว้ก่อนมันเปลี่ยนได้อยู่เดี๋ยวเด๋ยวเ๋ยวเดี๋ ย, ย, ย <laughs> อย่าดว่วนเวลามาโกรธล้วคนเราด่วนดวดรีบรีบไปไหนระโยม ไปด่ามั่นน่ะทำไมเรียกกว่าไม่หายโกรธถ้าไม่หายโกรธแล้วด่าเป็นได้รีบทำตามความโกรธเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุบัยคิดตัวนด้วยเชนเดียวก่อนเดียเด๋ยวเปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้หายใจเข้านับหนึ่งถึงสิบเนี่หายใจถ้าจะด่ากันให้นับถึง1ิบก่อนสหายใจเข้าหายใจ ตอนั้ถึงที่ด่ากันไ่ไความโกรธออนลงๆๆลงถ้าหัดจั่เงนี้เอาไปมาก็ดีขึ้นดีึ้นะก็กลายเป็นสมาธิเข้มแข็งนะไปสังบูปจมโงจโกเมื่อเปลี่ยนความโกรธเป็นความเมตตกรแล้วมีความสุขเคยได้ยินไหมไม่คีเคยได้ยินเคยไปตรวจไหมว่าเราเป็นนักบวช อันนี้ไม่ใช่ไปว่าอันนี้จะให้ผีกดตายบังสุขุนเราถ้าจะมีความกออ่อจุไอจาสังขาราสังขารเกิดขึ้นแล้วเนาะอาเหมือนอะไรมาเพื่อนบ้านจำใบสักกาเปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่ อันที่มันมาเพื่อนไม่ใช่ผ้าใจของเราในบริสุทธิ์ขาวเหมือนผ้าขาวไม่ขีดแต่สิ่งที่มันมาทํำให้ผ้าจกปกมันไม่ใช่ผ้ามันเป็นสีมาตัางหามันซักได้อยู่อันเดิมมันไม่เป็นดําเป็นจกปกสิ่งจกปกมาทีหลังมาเพื้อนผ้าเอาไปซักได้อยู่ ต่อไปเจ้าว่าแต่ก่อนนี้จิตของเราประพัดสอนผ่องใสอยู่เป็นประจําแต่อุปาิเลตบรรจรมาทําให้เศร้าหมองนั่นแสดงว่าความโกรธความโลภความหลงเป็นอุปาิเลตป็นจรมาทําให้ใจิตใจมันเศร้าหมองสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนไม่ตอนรับมัน เปลี่ยนความหลงไปความรู้เลยไปรู้เลยไปรู้เลยไปรู้เลยไปรู้ไปเนี่ย ป, ปฏิบัติธรรมไม่จะไปทําลายความโกรธความโลคความหลงเมื่อทําลายตัว น, นี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะใจมันดีใจดีเป็นไรใจดีเป็นบุญใจล้ายเป็นไรจะลายเป็นบาปบุญไปไหนบุญไปสู่สุคติคนใจดีที่เป็นไง ดูเอาเวลาเราใจดีกินได้นอนได้นะเวลาเราใจร้ายกินก็ไม่ได้นอนไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปถามใครครับว่าบุญว่าบาปไปถามใครไปขอจากใครนะใจดีเป็นบุญถ้าใจร้ายเป็นบาป ถ, ถ้ามันเย็นทั้งสองอย่างก็เป็นนิพพานอาถ้าจะว่าใจดีได้สวรรค์จะ้ะใจลายมีดลโลกสาใจเย็นมีนิพพานมันอยู่ที่ไหนนิพพานคือมันเย็นแล้วไม่ร้อนแล้วใจเย็นแล้วไม่มีพิษไม่ภัยต่อใครแล้วหมดพยศลแล้ว เป็นสามีพันยากันพึ่งเอาใส่กันได้คนใจดีแล้วจหนีไปไหนไม่ต้องมาบวชกับหลวงตาให้หลวงตาบวชเขาพอแล้วอยู่กันเป็นของบ้านของเลอดเป็นผัวเป็เ น, นเมียกันเลี้ยงลูกดังเต้าถ้าพ่อมันใจดีแม่มันใจดีลูกมันก็ใจดีพระจัง <c oughs> พุทธเจดี พระเจ้ากุงสนชัยทำไมได้ลูกเป็นพระเวชฉันโอนพระองพระเจ้าโกงสนชัยก็เป็นผู้ชายใช่ไหมพระนางผู้จะดีก็เป็นผู้หญิงสองคนต่างคนต่างใจดีเกิดลูกขึ้นมาเป็นพระเวชฉันโดนนั่นเกิดจากอะไรพระเจ้าจโตโธนักพระนางสิริมหาบายา สองคนนี่ยพระเจ้าสุตโตทนะเป็นผู้ชายพระนางสิมหาวายาเป็นผู้หญิงเป็นผัวเป็นเมียกันได้ลูกเกิดขึ้นมาเป็นจิตถะจิตถะออกบวดเป็นพระพุทธเจ้าพวกเรามากักราบว่าทุกวันนี้คนสองคนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ อะไรที่ไหนมาจากไหนคือจากผู้หญิงผู้ชายคือจากคนนี่แหละเนี่ยศาสนาทั้งต้นนี่เนี่ยให้คนเป็นคนดีให้คนรับความชั่วให้คนทัดจิตให้บริสุทธิ์ไปไปทําดีมีผัวก็เป็นผัวที่ดีของเมียเมียก็เป็นเมียที่ดีของผัว เย็นตั้งู่เย็นตั้งู่มันจะเกิดอะไรเกิดความสุขความสงบลมเย็นเต้าเต้วกวาก็ดีแต่แต่คนไม่ดีอย่างพามโูชุกพ่อแม่มมนเป็นยังไงมันจึงเป็นคนขี้ขโมนางทรมาดีขอเก่งไม่ทำอะไเย็นเลยขอไอตำนานเขาเราอะ ในบ้านนะเขาเกียดนางพา ม, มาลยสามผัวเมียทั้งคนไปไหนก็ขอโงเจ๋งที่สุดมียมมันหนังมีคนคนหนังเบื่อหน่ายมันแก้งพาเห็นมาหน้าบ้านนางพ ม, มาดีนะพาเห็นมาก้อนใหญ่ palm อนี้เห็นเขา้ยาพ่อใหญ่เจ้าพายอะไรพายเห็นไอ้คอยข อ, ขอนะมาเอาบอกว่ามาเอา palm อันนี้ก็ลงจากบ้านมาพ่อใหญ่ก็นำก็วางก้อนเห็ยลงเอาเอาไปจกบียังไงก็ไม่แตกก้อนเห็นจะเอาก้อนเห็นจากความจากพ่อใหญ่มันก็ไม่แต่ หินเอาไปทำไมไปฝนมีดมมากนนนเอ้ยเจ้าฟ้าไปอคอยหินอยฝนนะขึ้นไปบ้านเอาหินมาฝนมีดมีดเป็นฝนหินเออไปอะไรบ้างทำอะไรวันนี้สุดได้ลูกเกิดมาเป็นไข่เป็นพามโชชกโอ้เตอรเพิเตอร์เพิเห็นไหมวามสุชกฮะ เรามหาชาติก็ไม่สนน ต, ต่างกันเลผู้หญิงผู้ชายลูกพ่อแม่เป็นคนชี้เราลูกก็เป็นคนชี้เราเพราะเป็นนักเลงโทโสมโหลูกผมก็เป็นนักเลงโทโซมฮูนน ม, มาอยู่ที่ค่ะรมาอยู่ที่ความดีของเขาแตถ้าใครเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็เตรียมตัวไว้ ถ้าจะเป็นพ่อคนแม่คนนะหรือมีลูกไป็เต้าทำตัวให้ดีอย่าทะเลาะกันให้ลูกเห็นถ้าไม่เข้าใจกันให้ลูกนอนหลับเสียก่อนไปจับเช่าไปคุยกันเป็นยังไงพูดดีๆนะพูดดีๆมันพูดกันได้อะไรก็ด่ากันเลยไม่ใช่ ให้พูดกันดีๆนี่คือคนเรามันทำได้ปฏิบัติเป็นมนุษย์เป็นชัดประเสริฐนี่นะปฏิบัติธรรมคือทำยังไงทำ ไ, ไ ม, ไมเรามายุ่งมือสร้างจังหวะก็เพื่อให้มันรู้สึกตัวด้วยตัวปตั้งแต่ต้นไปไกลไปสร้างความรู้จึกตัวนไะไม่ใช่ไปแค่นี้นะมันไปไกลถึงมรรคผลนิพพานเลยทีเดียว เดี๋ยวนี้เขาไม่หลงกันแล้วเขาลู้กันแล้วเขาไม่โกรธกันแล้วเขาไม่ทุกข์กันแล้วล่าจะไหมแล้วคนหลงคนโกรธก็ล่าจะไหมอย่าไปโกรธในกันเห็นนะเปลี่ยนกันทุกคนนะมันจะสงบร่มเจ็นหรือว่าจิตใจอันเดียวกันพวกเรานั่งอยู่ใ น, นมีแต่คนมีสติ ตั้งพระก็มีสติไม่ชี่ก็มีสติย่าจงก็ไม่สติแล้วก็เป็นคนคนเดียวกันเท่าแผ่นดินลาบเหมือนหน้าของใสสนาพระศีเอเยะเมตไตร็ามาจาัดฉรูคือเราปฏิบัติธรรมในคำสอนของสำนัโคดมนะ่ะให้เจริญที่สุดก็ถึงพระศีอเยะเมตไตรอง์พระศาจดาองค์ต่อไป ไม่ใช่ใครที่ไหนเราปฏิบัติธรรมให้มันจเจริญรุ่งเรืองในศิลหนธรรมทุกคนไทยหกสิบกว่าล้านคนเป็นคนดีมันก็เลียงไม่ทะเลาะเบาแรงกันเรายิ่งดีใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของสาราุขไปทำงานทำการต้องตาเรียกว่าเทพที่ดาเทติบุตรของเรา พอใจเรียกพยาบาลพอจะเรียกหมอพขอเขาช่วยเราถ้าไม่มีคนโพงในเราไม่รอดแน่นอนตายไปแล้วเดบว่าเทพพิดาเทพประบุตรพอแม่ประชาส่งลูกสา ว, สาวลูกชายเรียนแพทย์เรียนหมอเอสติปัญญามาช่วยเราเนี่ยเป็นงานบุญเป็นงานของบุญพวกเรานะ นี่จะทำความดีนะเรียกว่าน่าชื่นใจอาชีพของพวกเราเนะียนี่หลวงาก็พูดในฝังนะเอาสมควรใจเวลากราบขาพเจกัน